แนดดาบทอาบบาซบทอาบบาซาเป็นบทมักกิยาะมี42องค์การบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของชายตาบอดอับดุลลอฮ์อิบนูอุมมีมักตูซึ่งได้มาหาท้ารอซูลสลลลอฮุละเลวะสัลลัมขอร้องท่านให้สอนสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงแจ้งแก่ท่านขณะนั้นท้ารอซูลสลลลอฮุละเลวะสัลลัมกำลังยุ่งอยู่กับผู้นำชาวกุเรสคณะหนึ่งที่ท่านกำลังเชิญชวนพวกเขาไปสู่อิสลาม ท่านดับบี้โมมัสสลลลล์เวลาสลัมไม่สบอารมณ์จึงมีใบหน้าบูดบึง้งและผินหลังให้เขาอันกุราจึงประทานลงมาตรหนิท่านแล้วบทได้กล่าวถึงความดื้อรั้นของมนุษย์และการปฏิเสธศรัทธาต่อพระเจ้าของเขาทั้งที่ความโปรดปรานอย่างมากมายของอโลได้มีต่อเขาต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพในจักรวาล น, นี้โดยที่อโลทรงอํานวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ให้แนวทางในการดำเนินชีวิตบนหน้าแผ่นดินนี้ต่อมาบทนี้ได้ชี้แจงถึงความน่ากลัวของวันเกียรมะมนุษย์จะหนีไปจากคนที่เขารักเพราะความกลัวและความตื่นตระหนกและได้ชี้แจงถึงบรรดาผู้มิลผู้ศรัทธาและสภาพของผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันนั้นโดยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ววเขาหมัวหมัดทำหน้าบึ้งและผลนหลังไปทางอื่นเพราะชายตาบอดมาหาเขาแต่รรยเล่าที่ใช่เจ้ารู้หวังว่าเขาจะมาเพื่อซักฟอกจิตใ จ, จก็ได้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 กกาที่่เไมััอวนและส่วนผู้ที่มาหาเจ้าด้วยความมานะพยายามและเขามีความเกรงกลัวเจ้ากลับเมินเฉยเสียอะม่ใช่เช่นนั้น แท้จริงมันเป็นข้อเตือนใจดังนั้นผู้ใดประสงค์จะให้รำลึกถึงข้อเตือนใจนั้นซึ่งมีอยู่ในคำทีอันทรงเกียรติที่ได้รับการเทิดทูนสะอาดบริสุทธิ์ด้วยมือของมาเลยกะผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณธรรม มนุษย์นั้นถูกสังหารเสียได้ก็ดีเขาช่างเนรคุณเสียนี่กระไร ه, จากสิ่งใดเล่าพระองค์ทรงบังเกิดเข้ามาจากเชื้ออสุติหยดหนึ่งพระองค์ทรงบังเกิดเข า, า, า, เออเเขาแล้วก็กำหนดสภาวะแก่เขาุุม ه, มมมมสสบลยรรฟอ แล้วพระองค์ก็ทรงแพร่าฐานให้สะดวกแก่เขาต่อมาพระองค์ทรงให้เขาตายและให้เขาลงหลงุมดุมมแล้วเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ก็ทรงให้เขาฟื้นขึ้นจินะไม่ใช่เช่นนั้น ไม่ได้ปฏิิบัตในสิ่งทุงงยยงษย์จงพิจารณาดูอาหารของเขาสิเราได้หลังน้ำฝนลงมามากมายอย่างไร อ, รอบบแล้วเราได้แยกแผ่นดินออก แล้วเราได้เมล็ดพืชงอกออกจากแันดินและอ้งวุนและพืชผักและมะกวอาและหญ้าปลั๊กและเรื่องสวนอันมากมายและผลไม้และทุ่งหญ้า ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าและสัตว์เลี้ยงของพวกเจ้าขั้นเมื่อเสียงกรมนาดมาถึงเ ว, วันที่ผู้คนจะหนีจากพี่น้องของเขาวอนนวอมมีีและจากแม่ของเขา และพ่อของเขาและจากภรรยาของเขาและลูกๆของเขาสำหรับแต่ละคนในหมู่พวกเขาในวันนั้นมีพระพอตัวแก่เขาอยู่แล้วสำหบและนมุ่พวเขารตเาอยู่ หลายใบหน้าใน ว, วันนั้นแจ่มใสผัว ร, รอดีใจร่าเริงและหลายใบหน้าใน ว, วันนั้นมีฝุ่นจับความมุนหมองจะปกคลุมบนใบหน้านั้นอชนเหล่านั้นคือพวกปฏิเสธศรัทธาพวกปฏิชจุเอ